ก็หลวงต า, ตานี่นะเพราะว่าดูแล้วจะจะเข้ากับจริตทีเ่เขาเขาก็เลยเอาโยมเข้าไปในลายใช่ยคะ่ะแต่พอพอพังแล้วก็เออหลวงตาบอกว่าเออเราไม่มีตัวมาก่อนเรามาจากธาตุรู้ลึกความว่างแล้วก็มามีการผสมธาตุน้ําแล้วกักบสเปิร์มของของพ่อของแม่แล้วก็ พ่อแม่ก็กินซักเพื่อซากสัตว์เข้าไปค่ะมันมีความเข้าใจเข้าใจว่าเอ๊ะทํามันตื่นอย่างนี้นค่ะหลวงตามันมีความเข้าใจแบบว่ามันตกใจมากเลยว่าว่าเราเราลงมานานนะคะหลวงตาแล้วก็ที่หลวงตาบอกว่ามันมีตัวปรุง <laughs> กับตัวไม่ปรุงอะค่ะ <laughs> พิจารณาเข้าไปแล้วมัน มันไปไปเห็นนะคะหลวงตาเห็นตัวปุงแล้วก็ไปเห็นตัวที่ไม่ปรุงอะค่ะแล้วแล้วเขาก็ทักกันขึ้นว่าเอ๊ะเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เขาก็บอกว่าเขาเขาก็อยู่ที่นี่มานานแล้วแล้วก็อยากให้เราเราเห็นนะคะถึงตรงนั้นความรู้สึกมันมันวางค่ะหลวงตาเหมือนเราแบกหินมาหนัก หนักมากสาธุกสาทุกกระดาษนะโยมก็ไม่รู้ว่ามันมันเป็นอะไรแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นความเขา้าใจอะกันหลวงตาว่าว่าที่ที่เราที่เราไปยึดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราไม่รู้นี่เองถูกต้องถูกต้องไอความไม่รู้เนี่ยแหละกันตั้งเดียวอวิชชา แล้วก็เวลาเราตายไปถ้าเรายังยึดอยู่มันก็จะไปเป็นอีกรูปร่างหนึ่งแล้วเราก็จะหลงว่ารูปร่างนั้นเป็นเราค่ะยมยมเข้าใจประมาณนี้แล้วก็อย่างที่หลวงตาบอกว่าถ้าเราไม่ตายมันก็ยังปรุงอยู่แต่ก็ให้รู้อยู่กับปัจจุบนันหรือว่ารู้ซื่ อ, อหรือถักแต่ว่ารู้นะคะก็ก็เข้าใจค่ะหลวงตาแต่ว่า ก็ยังไม่ไม่รู้ขนาดปัจจุบันทุกให้ได้ชัดเจนทุกครั้งอะคะ่ะก็ขอคำแนะนำหลวงตาว่าต้องปฏจจิบัติหรือทำอะไรเพิ่มบ้างคะก็อย่างนั้นแหละเห็นอย่างั้นแหละนะเห็นอย่างงั้นเรื่อยๆเนี่ยี่ยทำความเข้าใจพี่นาอย่างนั้ น, น, น, น, น, น, นบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวมถึงใจอันนี้เราน่หลงมานานเราก็ เอี่ไอ้ตัวเราเนี่ยที่มันไปแอ บ, บคิดแอ บ, บนึกแอ บ, บึกแอ บ, บตองอะไรในทางดีทางชั่วทางกุศลนกุศ ล, ล, ลอะไรในที่รับที่แจ้งเอ้ใครเนาะมารู้เราตลอดเลยเนี่ยไม่ว่าเราจะไปพูดไปแอ บ, บกระทาอะไรหรือไปคิดอะไรกับใครในที่รับที่แจ้งเอ้ใครเนาะรู้เราตลอดเลยเนี่ยไม่สามารถหลดพ้นจากรู้ได้เลยเนี่ยคันถามตัวเราเข้าจริงๆอ่ะใครอ่ะรู้เราคนอื่นสามารถรู้เราได้ไหม ไม่รู้ใครล่ะรู้เราอะเรารู้เนี่ ย, เ, ยเราเนี่ยรู้ตัวเราเรารู้เห็นไหมแท้จริงอะเราแท้แท้เนี่ยคือรู้นั่นแหละที่รู้ตัวเราเ น, นั่นแหละนั่นแหละคือเราแท้แท้แต่ไอตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยมันเป็นตัวผสมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่แล้วก็กินสาปืดสากสากัตว์กินดีกินน้ากินลมกินไปแล้วมันก็เลยมีชีวิตจิตใจพูดได้กินได้ แล้วพอไม่เข้าใจตรงนี้สักทีความโง่ความไม่รู้มันก็จะไปเปลี่ยนเป็นในร่างใหม่ไปเอาไอ้ตัวที่ผสมพันธ์ระหว่างตัวผู้กับตัวเมียตัวพ่อตัวแม่แล้วก็เกิดมามีชีวิตคิดคิดอย่างใหม่คิดอย่างใหม่หมพูดภาษาเช่นพูดภาษาสัตว์ไปเกิดเป็นหมาก็คิดอย่างหมาพูดอย่างหมาเหาบ้องบ้องบ้องบองแล้วก็กระทาอะไรก็ทาอย่างหมาคือไปเกิดเป็น หมาตัวเมียมันก็คิดอย่างหมาคือหมาตัวผู้หล่อเว้ยก็อยากจะไปผสมพันธ์กับเขาแล้วก็แต่เกิดเป็นหมาตัวผู้มันก็เอ้ยมันก็คิดอย่างหมาเอ้ยหมาตัวเมียสวยเว้ยก็อยากไปผสมพันธุ์กับเขาแล้วมันก็บอกว่าตัวเราเนี่ยไอหมาตัวที่มันคิดตัวผู้ตัวเมียสวยเนี่ยเนี่ยว่าเนี่คือตัวเรามันไม่เข้าใจสักทีว่าเนี่ยเราใครมารู้ตัวเราว่าวเรา เราไปแอบบคิดแอบบพูดแอบกระทําอะไรในที่รับที่แจ้งนั้นสามารถที่จะรู้ตัวเราตลอดเลยคําถาม่าจริงๆอะ่ะใครอรู้ตัวเราอคนอื่นก็ไม่รู้หรอกใครรู้เราเราเนี่ยสิรู้อ้าวอ้างั้นเราก็คือรู้เราจริงเนี่ยเราเนี่ยคือรู้แต่พอจริงๆเพอเพ อ, พ อ, อเอาเอาไอตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยคือที่มันคิดมันพูดมันกระทาได้ในที่ถูกรู้ได้เนี่ยเอาเป็นตัวเราซะอีกแล้ มันเลยเมื่อไหร่ที่หลงเอาไว้ไอตัวเราเนี่ย ing, ที่ถูกรู้ได้ว่าแอบคิดอะไรแอบพูดอะไรแอบกระทาอะไรได้เนี่ยเอาไอ้ตัวที่มันคิดพูดทําเป็นตัวเราเมื่อไหร่เนี่ยไอก็เป็นอวิชชาเลยไปเมื่อ ไ, ไ, ไ, ไหร่เนี่ยไปเป็นในผู้ที่มารู้ตัวเราแอ่นั้นเนี่ยอวิชชากระดับไปจนถว่าถ้าเราก็ใจอย่างเนี้ยก็เป็นรู้นั้นไปเลยเป็นรู้ตัวเราอยู่กับรู้นั้นหรือรู้ซรู้แต่เราซื่อ หรือว่าสักต่รู้ตัวเราซื่อหรือแค่รู้แค่รู้ตัวเราก็เป็นรู้เลยไปเป็นรู้เป็นแค่รู้แค่รู้หรือว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้ไม่เป็นไม่เอาเป็นตัวเราที่ที่ถูกรู้คือไม่เป็นตัวเราที่ผู้ที่คิดนึกติดต่อปรุงแต่งได้ให้เป็นรู้ไปแล้วก็เราก็รับกรรมไปเฉพาะชาตินี้ให้มันสิ้นอายุไขไปกรรมที่ทํามาทั้งหมดก็ยอมรับบาปเพราะกรรมไปให้มันเป็นทุกข์ทรมารอะไรก็มันไปตามเรื่องตาม ตามเหตุตามปัจจัย บ, บ, บาปกรรมใหม่ไม่ทําแล้วเป็นรู้แล้วต่อไปนี้ก็รู้แล้วหายหลงแล้วหายโงยแ่แล้วก็เป็นรู้แล้วเป็นผู้รู้แจ้งแล้วก็ไปไปทํำบาปกรรมแล้วก็ให้เป็นรู้อ่เป็นรู้ตลอดไปเป็นรู้ตัวเราอย็ดเยี่ยมเด็ดหลงว่าเป็นตัวเราที่ถูกรูก้คือตัวเราที่มีความคิดความนึกความตึกความตองไม่ว่าไปคิดดีคิดชั่วคิ ด, คดบุญคิดบาปคิดกุศลนะกุศลในที่ไหนอ้ามันเป็นตัวที่ถูกรู้เนี่หว่าเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ผสมพันเกิดขึ้นมาแล้วแต่เราไม่เข้าใจยมันก็จะไปเอาไว้ตัวที่ที่ เป็นตัวพ่อกับแม่ที่ประสมพันธุ์กันแล้วออกกำลังใหม่แล้วก็มีชีวิตจิตใจไปคิดอย่างไรไปคิดอย่างใหม่คิดอย่างให้สัตว์เดรัจฉานประเภทนั้นคิดเป็นอย่างเปรตคิดอย่างสัตว์นรกก็คิดอย่างคนรูปร่างใหม่ไปเปลี่ยนไปว่านี่ตัวเรานี่นี่คิดอย่างคนใหม่ไปพอเป็นคนใหม่ก็คิดอย่างคนใหม่เลยไปแน่แต่ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนเนี่ยไอตัวที่ถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดไอตัวนั้นน่ะตายแตกดับไปทุกชาติแต่ไอที่รู้ตัวเรานี่ยไม่เคยดับเลยมันไม่เคยเกิดมันไม่เคยดับไม่เคยแตกไม่เคยทำลาย เพียแต่ความโง่อวิชาไม่อยู่มันเลยต้องถ่ายล่างไปอยู่ในล่างอื่นเลยไปเพราะว่ามันยังไม่เป็นรู้ตัิมมันเป็นในตัวที่ถูกรู้เรื่อยไปมันมันเป็นไม่ไม่เลื่อยไปนี่แหะค่ะเป็นเป็นประเด็นที่ที่บางครั้งอาจจะไปยึดเอาเอาที่ตัวปูอะคะนะ่ะว่าเป็นตัวเราเออเขาจะง่ายนะจะจะได้จะได้ไดีดีดีล้วก็ให้มีสติปัญญากํากับนี้ไว้นะกำกับนะไว้ตลอดอย่าไปหลงเอาไว้ไอตัวเราที่ ที่ถูกรู้ได้ที่คิดได้ผูดได้ก็ทำได้เป็นตัวเราอีกต่อไปนะให้เป็นรู้อยู่กับรู้หรือแค่รู้ตัวเราไปเรื่อยๆต่อตัวรู้โยมก็จะพยายามตั้งใจปฏิบัติคะ่ะหลวงต า, ตาก็าจะน้อมเข้าไปที่จิตที่ใจจริงๆแล้วก็มันรู้สึกรู้สึกกลัวคะ่ะหลวงตาที่ไปเห็นตรงนั้นแล้วไม่รู้มันรู้สึกว่ามันจ ะ, ม, นจะมันจะวนไปวนไปไม่รู้กี่ภพ ก, กี่ชาตินะคะ ก็รู้สึกเหนื่อยกับตรงนี้แล้วก็อยากจะอยากจะวางค่ะหลวงตาสาตธวปล่ อ, อยวางตัวเราผู้คิดผู้นึกผู้ตึกผู้ตองผูพพ้พูดได้คิดได้กระทาอะไรได้ไปเสีอยู่กับรู้อยู่กับรู้ตัวเรานั่นเองอย่าไปเป็นตัวเราให้เป็นรู้ตัวเราอย่าไปเป็นตัวเราพอพอถึงข่าวที่ในยุคใคไอ้ตัวเราที่ถูกรู้ก็ตายแตกตับไปตัวที่คิดได้พูดได้ไปกระทําอะไรได้ก็ดับไป แล้วก็ไปเป็นรู้ที่เป็นอมาตะาที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูกร่างหายไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวา